นี่สงวนไว้สหรับเองนันี่คนกวดแค่นัดนี้กลัวเจอเกินหลวงปู่ไปหรือเปล่าเจ้าคะง่อนุญาตให้นั่งแล้อเจ้าหง่เยรเราไปนั่งแล้แล้วไปละถ้าเป็นาพัตคนไปยุ่งสิคนคนเดียวก็ใกล้ถ้าไปดูนี่มันทำเป็นดีดี กันถึงท่านหัเป็นนี้ะเไม่ได้ก้าใจเรื่องธรรมะได้ทาบุญไมหรือยังอยางจะาทำได้จะกตัมนฑ์ัวตัวตมน์เป็นนีประเภทหนึ่บุญประเภทน่ แล้วก ai, am, ็ม <c oughs> ูอซายวางบนตักหัวทับมือซ้ายตาเบาๆเร่งใจไหยติดหัวใส่ัวติดตาสองข้างุดปากเจ้าปากแบบนัางทำบุญมาให้หลวงปู่มาให้บนหลวงปู่มาให้มาให้ทำบุญมาบอกทำบุญ เคยทำมาแล้วทำคำของเวทเจ้าเคยทำมาแล้วได้รู้แล้วได้เห็นแล้วมาบอกต่อกันเอกว่าทำบุญคือยังไงทำบุญคือดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก Mm-hmm. <clears throat> ฟัเงเทศฟังคำเราคำโบราณว่าฟังธรรม ง, งเทศถ้าแปลแล้วฟังแล้เทีท่ทิ้งไว้วัดเทเฟังเททิไว้วัดกลับมาแล้วไม่ได้อะไรเลยฟังธรรมฟังแล้ ว, ลวนำไปทาถ้าทำก็เห็นถ้าอีกประเภทนึงฟังแล้วไมไดู ทานศีลบุญนะครพุทธเจ้าได้จัสรุ่แล้วสอนให้วาสญาติโยมพราวาสศัทธารรมธรรมะสำหรับฆราวาสผู้ฟังเรือควรให้ทานศีลบุญโดยเฉพาะพูรกันบ่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานะก็เลยไม่เข้าใจเรืงว่าทาบุญแต่เข้าใจง่ายทำบุญ่านใจทาทานนานายอากให้เข้าใจสองอย่าง อยากให้เข้าใจหนึง่งตัวเรามีกายกับใจ 2. องทำบุญทำทานสามทำบาปทำบุญใครก็อยากหาแต่บุญอยากได้แต่บุญอยามีแต่บุญบุญไม่มีซื้อขายทำเอาอย่ากเมื่อคนไม่พลาจอางนี้ไม่มีซื้อขายให้ทำเอา ใครทำก็เห็นก็รู้ก็ดูก <c oughs> ารทำบุญไปเจ็บเป็นยังไงสุขไหมสุกอืินยิ่งกว่าความสงบไม่มีหนึ่งนาทีสุขหนึ่งนาทีนะั้นแต่เราเกิดมาตรงคนเคยดูกี่ไม่ได้เคยดูกี่ครั้งนะไม่เคยดูบุญสักครั้งนะไม่เคยดูใจสักครั้งนะนะดูบุญก็ดูใจนะั่นแหละในตัวของเราไม่กายก็มีใจเข้า ใ, ใจไหม กายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใจของเราของเรามีแต่ใ จ, ใจแต่ไม่ดูเพราะเราไปหลงกายพราฮาเวปัญจักขันธานะคําบาลีสังขาร่างกายมันเป็นภาลัดหนักหนักหรือเบาถ้ามีปัญญาที่จะรู้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะรู้ว่าสังขารร่างกายมันเป็นของหนัก คำพูดปะดี๋ยจะมีบอกปลาหเวปัญจขันธ์านมนเป็นภาะนะหนักสำขัญร่างกายขันหน้าตอวนี้ป็นน้ำลงไปถ้าใจคือผู้รู <c oughs> ้อะไรก้นนี้จับอยากาก้นนี้แต่ความทุกข์จากหาแต่ความสุขแต่ถ้าหาไม่เป็นก็ไม่เจอหะ ถ, ถ, ถ้าหากความสุขแบบโรลกก็หาความสุขร่ำรวยสวยงาม ถ้าธรรมะมาแปลเขาก็ดินนะทุกข์อะไรนะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากนะแต่ได้มาแล้วเขาอยากทำรวยแต่ได้ทำรวยมาแล้วเขาอยากสวยงามมีความอยากไม่สิ้นสุดนะเรื่องของทางโมกิยะสิ้วยไม่สิ้นสุดแต่จากทางธรรมะสิ้นสุดนะธรรมะธรรมะก็อยากเหมือนกันจากก้นทะุกข์อ่ะ ถ้าทําให้เห็นทุกแล้วก็มันพ้นจากทุกแล้วมันเป็นยังไงตินรูปไหมอาจารย์หลังพ้นทำของเบอร์เตอร์ว่าไงคนใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมทำไมเราไม่หาทุกบ้างหาแบบที่ทีทไหนมันจะเห็นตินะนะมาคนนี้พานอยู่เลยตายต้องทิ้งตายมันจะเห็น ทุกมันเป็นยังไงพ้นทุกมันเป็นยังไงไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจา้าจะเลยไมวยใจถ้าเราไม่เจอทุกยังไม่ทาทุกทุกยังไม่ได้มองทุกทำเลยว่ากว่าตายทาไมไม่ปล่อยวางเรื่องตายพระพุทธเจา้าถึงสอนในพระพิทุ ส, สบงาาบ์ว่ประมาลูกขมลเนะังเยนยาบรรพจาตตเตจวะชีวังอุตสาโนโกรนิโย ลูกกมลแปลว่ปาปาเข้าปากบาคนกค็ลมเล่นสูตรเียนเขียนอ่านบ้างพอรู้แล้วเข้าป่าก็หาทุกไปอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่หลายคนมันก็จิตใจไปเกาะกันมาติดมันไ ม, ไม่มีค ว, วไม่มีความกลัวไม่มีความกล้าความกลัวเป็นยังไงความกล้าเป็นยังไ ง, ไ, งไม่รู้เพราะมีเพื่อนนะอยู่ป่ากหนึ่งคืน มีอันนี้สงบนิ่งกออยู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งปีเพราะไม่ได้ทำกิมเกลียนมันไม่ได้นอนเข้าป่าแล้วกลัวละอายมาจากละอายนะ้ะอายที่เวลาเจ้าที่เจ้าภูมิอธิษฐานจิตใจเลยแหละเขาวันนี้ถ้าจิตไม่สงบความให้ผีหรปอผูหรือมาหาคอกรนี่แหละ ทำใกนกลางนั้นคือนใจบางคนคือขอ น, นอนคือ น, นั่นนะที่กเกียรตที่กเกียรนอนก่อนนอนก่อนโดยเฉพาะมีพวกมีหมู่ถ้าไปคนเดียวเราไม่ได้แล้วลูกศีษของพระเจ้าไม่พาหาสินะธรรมด้วยการนอนะพระเจ้าหาสินะธรรมในจักรรูปเพราะการนั่งนั่งอย่างนั้นเอาวันนี้ทําให้ <c oughs> คนทุกข์กันนีคืนนี่สู้กันถ้ามันไม่อยู่ทุกข์ไม่อยู่จ็บปวด <c oughs> ก็ไม่ลุกจากนี้ไปเป็นตะ巴แล้ไม่ต้องไปเป็นตะดสู้กันเรือนั้นแหละถ้าตู้ไปได้ผีอยู่นี่นมีจีนมาหากคอเลย <c oughs> <c oughs> นะเห็นห ม, ม่นก็กล้า่ถ้าเราหวังนะถ้าไม่หวังก็ทำยอดแย่ๆควมรับไม่มีในโลกโองหคนอื่น โกหกไดโกหกตนเองโกหกไม่ได้เข้าใจไหมความลับไม่มีในโลกเข้าใจไหมนะแต่ว่าไม่มีใครเห็นเรกเราอยู่คนเดียวนะไม่มีคนเห็นเราแปลว่าเราจะไม่เป็นคนไม่มีพระเห็นเรอกก็แปลว่าเรายังไม่เป็นพระนะคูเจ้าึงสอนความลับไม่มีในโลกนะทํา ทุกข์อยู่ที่ใจไปใส่อยู่ที่ร่างกายทั้งขาทั้งกายเกิดแแก่เก็บตายพูดทําไมหรอตรวทําไมหรอตัวเราไม่ทมําไม่ได้พูดได้ต้องทําได้เข้าใจไหมได้ยินไหมคนรุ่นคนร่างพูดทำท่าเข้าวัดเข้าว่าทำท่ารั้นศิลรั้นถ้าหมาอบเต่าหมอบสาเข้าวัดรูปร่างถามว่าศิลเป็นยังไงไม่ยงได้ยายไศิลเป็นยังไงไม่รู้ได้ยินแต่ท่านว่า ไปถือศีไปถือศีลเลยรู้จักเลยเมื่อถืศาสปากถือศีลปากกับใจไม่ตรงกันเข้าใจไต้องปากกับใจเรไม่ตรงกันนะไปวัดไปทาบุญไปวัดไปทาปุ๊เข้าใจมือเคื่อนเข้าย้ำแล้วสวนมากไปวัดมันจะทำบาปทาไม่ฟ้าจุ่มก็ว่าทาบุญอย่างไรให้พระเจ้าดี ทีทาเท่าทาเอาทำขั้นก่อนๆนะทาเดียวจะไม่ไม่หมดไม่หมดแต่พระฉันไม่หมดได้ท mm ี hmm. ่ดูโบราณสมัยก่อนไข่รูปเดียวยังหมดอาหารได้ขั้นได้สําหรับได้ขั้นหนึ่งนะได้ทําอาหาร <c oughs> ได้ขาบหนึง่งภาษาพิศดารแล้วขอกาบหนึ่งประเทศไข่รูปเดียว คุณมือว well, la <right ouais ้าคุได well, ้งานใจ่ใจญ่ถามแน่นน่อยแน่นน่อยฉันจะหันบ้หลังฉันดูหลวงปู่ฉันขาบ้านหลัะบ่ฉันใครมังไงสิบเอ็ดจังไฟังดูสิก็เลยเป็นมักง่ายจิตธรรมมันัมมาโลกาพิทักษมีแต่เรื่องของโลกียยักมันเจริญจิตธรรมเจริญธรรมะก็เสื่อมไปเสื่อมไปอะไรก็สะดวกอะไรก็สะดวกถึงก็ วันศิลวันพระถามดอกตึ่งจะโฉม น, นะอยู่ในเมืองไทยพูดถึงเมืองไทยโย <c oughs> มวันนี้วันพระได้นะไปวัดมายรักษาศิลป์ลายผมยุง <c oughs> อยู่เฉยๆนะทาในทานาทุกวั น, นวันสองวันเจ็ดได้ให้หลวงทาให้เกียวข้าวข้าวหลองเต็มทุงไร่ทุ่งนาโยมทาไมไม่ลง แขเกเจียวเข้าวผมก่อนคอยในหลวงคอยรถหลวงปู่เดี๋ยวรถเขามาเกี่ยวให้นะไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวข้าวตาข้าวก็ไม่เป็นหมูข้าวก็ไม่เป็นทําอาหารก็ไม่เป็นทุกวันมีจจะในหลวงหามาให้เดี๋ยวนี้ท ำ, ไ ม, ทำาาไม่เป็นแล้วทำอาหารเดอมไม่เป็นแล้วก็มิแต่อะไรเอาลายเอา <c oughs> ถึงเวลาเลข้ามาบ้านบอกแล้ว ประกาศบอกแล้วใครต้องการจริ ง, งอะไรเตรียมสํำรับมาใส่เลยนะ <c oughs> <c oughs> หรือบางทีก็ไปส่งถึงบ้านก็ได้ทุกวันจะเอาอะไรบ้างทานอะไรบ้างอะไรก็ไม่ว่าหรอกแต่วันสําคัญของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้ทิ้งถึงจะทิยงอย่างอื่นก็ไม่ว่าแต่วันศีลวันพระวันของพุทธเจ้าหามาสอนคนหาศีลหาธรรมมาสอนคนหาบุญกุศลมาบอกให้คนทํา และก็สอนคนเป็นไม่ใช่สอนคนตายเข้าใจว่าเราเป็นคนไหมเราเป็นคนเป็นกัคนเป็นกับคนมีชีวิตไม่ใช่สอนให้คนตายมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่สอนให้คนตายมาเห็นสวรรค์เห็นพระนิพนาพานพบหน้าชาัดหน้าสอนให้คนเป็นให้ทําพบนี่ชาตินี่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนงังจะโยธรรมังให้ดูปัจจุบันว่าเราได้ทําบุญไหม ตะเกิดมาได้ทำบุญไหมกระุมจะได้กระพุทธไตวัดทำบุญจะได้กระพุทไปวัดทำบุญ ไ, ไ, ไปแล้วก็ไปเถียงกันไปทะเลาะกันไปพูดไปพูดเรื่องลูกเขยคนนั้นลูกสาวคนนี้ดีสามีคนนู้นดีภรรยาคนนู้นดีสิ่งของมาถวายพระของคนนั้นได้น้อยของคนนี้ได้มากยุ่งกันไปโดยพูดเรื่องโลจิยะ ของในจะนําออกของนอกจะนําเข้าของโบราณอะไรแหละของในอะไรของนอกของเข้าในวัดแล้วจะนําออกไปข้างนอกของข้างนอกจะนําเข้าข้างในเรื่องโรคโรคจะนําเข้าไปในวัดรักโรคโดรลมจะนําเข้าไปวัดวัดงกายประกาศไปไหว้วัดวาจาระเสริมวัดวัดจิตใจคนนั่งดูลงเข้าลงออก นั่นเรียกว่าไปวัดทําบุญทําทานทาทานทาบุญถ้าไม่ทำจางนั่นก็ผิดศีลแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นอะไนี่วนมูจังซ้วกคนนี้มันทกไปวัดทําบุญไปวัดทาทบุญแต่ไม่ทําบุญโกงของตนเองโกงคนอื่นบอกว่าไปทําบุญแต่ไม่ทํพระก็ไม่บอ ก, กยิ่งผิดไปอีกแล้ว วันนี้พักทำบุญนี่แหละจะได้มีสมาธิจะมีปัญญาหนะมาตรุุคําเดียวนะแหลงสว่างสริมรวยกัญญาไม่มีนั่นพิธีกรรมของพระเจ้าถ้าเราทําบุญเราเกิดสมาธิเราก็เกิดปัญญาเนี่ยไม่มีปัญญาคนผลทุกข์ได้ต่อแต่ว่าทําบุญแต่ว่าทําบุญเดี๋ยวมันไปไ ป, ไ ป, ไปท่องตรเท่าไหร่ก็ว่าทําบุญเพราะเราไม่ทําบุญไม่เห็นบุญก็ว่า เป็นยังไงคุณว่าข้อวัดทำบุญว่าเอาของมาถวายพระได้บุญได้บุญนะถ้าได้บุญทาไมถึงตามจาับพระทั้งโลกในพระไตรปิฎกมีหนังสือเล่มไหนที่สรวาตเจ้าโยมตามจับพระพุทธเจ้า <c oughs> ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้บำเป็นบุญให้ทาบุญถ้าทาบุญเราก็รู้ว่าบาปเป็นยังไงติไม่กลา้า ไม่กล้าทำบาปไม่กล้าโกหกไม่กล้าหลมกคนอื่นไม่ก้าไม่กล้าไปฆ่าคนอื่นนี่เรามีรู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรถ้ารู้ว่าไปทำบุญมันง่ายตรงนี้ทำไมไม่ทำหรอยังไม่รู้เพราว่าเราไม่ทำแต่ไปคุยเรื่องรอบๆเข้าวัดคุยแต่เรื่องรอบๆนี่แต่ทะเลากันเขาว่ากับปีแต่ทะเลากัน แทนที่จะปองร้อสมานสามันกีนั่นแกเดียวกันในวัดจะทะเลาะกันแตเรื่องอยู่ที่ทางโลกว่าเธอยังทั่วหน่งเข้าวัดก็ยังทะเลาะกันอีกนะจังหวะขมจุกตรงไหนตินทำไมไม่เอาความสงบเข้าวัดวัดนะไม่ใช่ราคาถูกๆนะวัดผมจะได้เป็นวัดขึ้นมาโดยเฉพาะจากต่างประเทศตรงนี้หาจ่าหาสถานที่ยากอีกใจด้วย ประเทศไทยก็รยัร่ัยวดหน่อยควมีจิตธรรมตะวายไปเลยถะวายไปเล ย, ถ ว, ย, เลยถวายที่จริงตะวายอาการบั้นท้องนนนี่แต่ตามประเทศตัวนาราคาเท่าไหร่ก็เลิกคิดดูที่เจ้าประสงค์หามา <c oughs> จะทําอะไรควรมีแต่ปัญหาปัญหาอยู่นะควรจะเป็นวัดเปนว่าเป็นอะไรขึ้นมาควรจะมีพระเจ้าประสงค์มา <c oughs> ควรที่จะภูมิใจควรที่จะดีใจควรจะเข้าใจเป็นสถานที่บาเพ็ญบุญ เรื่องของทานโลกก็ออกไปนอกวัดไปพูดกันจึงไปทําอะไรกันเราไม่เข้าใจว่าของนอกอย่านําเข้าไม่เข้าใจว่าอะไรของนอกเรื่องของโรคโรกโรกจียะอยา ก, ก้าไปยุ่งให้วัดก็จะ <c oughs> <c oughs> นั้นการประพฤตปฏิบัติเป็นครูเจ้าปินให้อาศัยสถานที่สัปปายะสัปปายะสถ า, านที่ประพฤติปฏิบัติทำ เพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็อากาศสปายะอาหารสปรายะบุคลาสปายะเสนาสนสปายะบุคลาสปายะคู่คนก็ส่งเสริมในภาคปฏิบัติธรรมอากาศดีไม่วุ่นวายไม่มีเครื่องมา ย, ยวดวัวใจโดยเฉพาะแบบของชาวบ้านทําอะไรของทางโลกเข้านั่งพุทธนะอาหารในวัด นะมันเป็นกินรูปเขียงกินรถนะให้ห่างไกลอาตาศจะปอายดีเสนาจะจะปลายก็จะตรงตาเสนาธนาะก็ะห่างไกลจากชาวบ้านโดยเฉพาะตามประเทศสงบดีนะไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราประเทศไทยเยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนสนานวันไ ร, รอยู่ตรงนั้นอ่ะพวกเด็กเด็กเล็กเล็นิ่งทุกวันนี่ เด็กแว่นเด็กแว่นเ็กอะไรเสงแรงลดันทาให้เสียงดังตนันวันไหลอยู่ตีความตีความโดยเฉพาะวัฒนธรรชาวไทยชาวพุทธจริงเขียนไปเยอะทุกวันนี้ที่คำนี้จะนอยแต่เสียงดังตะนานวันไหลแห่นัแห่ไปบวชหนักแห่กถิ่นั่นกะถิ่งานโน่นงานนี่ก็ไปเสริมก็ไปแล้ววิธีวัฒนธรรมชาวพุทธเลยหมดไปแล้ว กระทรวงก็มีแล้วนะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสำนักพุทธดูแลแต่เวลาท่ากระทำก็ไม่กระทำตามพิธีกรรมของพระพุทธเจ้า ส, งส่งเสริมให้คนหลงนะอะไรมาเตืนบอกเราทําอะไรลงไปคํานึงถึงความได้ให้คหํานึงถึงความเสียนะบางสิ่งบางอย่างทําลงไปเสียพระพุทธเจ้าทุกฐานได้เข้าใจเรื่องบนอื่น ตามเขาพาทำ ม, มาเขาพาทำ ม, มาประเภณนี้ถ้าทำมาแต่ประเพทนี้ของพระพุทธเจ้าไหมไม่ได้ถามก็ไปถึงจุดนี้นะปร ะ, ประเภทประเพทนี้ของพระเจ้าออกบวทได้แช่ไหมตีกองมยาวไหมร้องรำทำเป็นฟ้อนไหมแ <c oughs> ตไม่ไมเอาไมอาจุดี้มาเพื่อนผู้วัฒนรทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะ ต้องเขียนนะต่เรื่องประเทศไทยจะห้ามแล้วนะแม่ทั้งสุโขเรียนจงห้ามในความวัดถูกจับเราก็มีต้องมีสถานที่ <c oughs> ห้ามไม่ให้นู้นน้อยห่คมน้อยเข้าวัดนะแต่ว่าพิธีกรรมบางข้อกรรษาก็ไปแข่งกันในวัดโดยเฉพาะเมืองอุบเลเนี่ยแข่งทูปแข่งเตีย น, นที่ตั้งนายยกหนึ้นก็มีพากันแห่ง แต่พระพุทธเจ้าห้ามไปดูเขาขวัดลำทัประโคมดีสีตีเป่าในรัตจีตวาริตาวิสูรัตนาน่าว่าไงห้ามไปดูเขาขวันลำทัโคมดีสีตีเป่าและตนเองในวันลำทับปรมร้องลำทำเพลงดิดสตีตีเป่าท่านไม่ให้ฟัดท่านไม่ให้ดูท่านทำไมต้องไปทำให้ขึ้นง้ น, นพิธีตามพระพุทธโดยจน้ายลูกหลานรัตน์กตนานโลกมันชอบจากนั้นแล้วกพิธีกรรมเพียนัน วัดนั่นทําอย่างนั้นแบบนี้นั่นแข่งเขาแยกเทียนแขกทคู่แข่งเทียมกันเทียนไม่รูกกี่ตันกี่ตันไม่พอเขาน่าโประม่ามาแข่งอีกน่าโนประม่าเขาทํายังไงล่ะอะไรได้อะไรบ้าคนดูเยอะทําทยังไงคนจะดูดเยอะหลูกโป๊นั่นคือวิธีกรรมของพรกกุฏิจาร์เลยเป็นต่อเพียนนี้ไปแบห่มหึมแตดะบปีแตดะบปีแตดับปี ยิ่งเล่าพยารตีข่ากันตีกันแย่งอันว่า ป, ประมาทกัน <c oughs> สงดตรงไหนที่นี่ไหนละ่ะพิตีกรรมของกุธเจ้าค้แตจะหลงไปลงไปบางแห่งพระประธานจะจะมีใส่ท่าอังศากนดะิ์ลูกจงองของพระกุฎเจ้ามีแล้วจะไม่ได้แต่งแต่ตัวของเราจงไว้แล้วแต่งพระกุธเจ้าอีกสังขาจะตง ว, วัรครบแ้เราจะออกกระด อ, ม, อะมันแข่งไปางง่างงหลงพอให้เอาออก มึงพ่ได้ตําหน่อะไรบ้างมาตําหนิไปดูแลห้องพากให้หน้อยไปดูวัดเนียไปดูไปดูที่นี่ให้ขนอกเลยเอาขนออกดูที่ต้มหมูชาเป็นมุกเสด้วยนะมีแต่ออกไม่แห้งเตมไปหมดขางบนเพาดานดำปี้ปีจคนนั้นก็มาจุดทุกจุดเียนคนนั้นจะจุกเชียนแต่ไม่ดูข้างบนเพดาะนะ <c oughs> ใส่แจงกันใ่ บ, บัใส่แจงกันเป็น อาทิตย์หน้าปนวันจินหน้าไปดูวันพระหน้าเหม็นขุ่มมีแต่ยุงเต็มไปหมดยุงต่อคนยุงตัวหนึ่งมีลูกติดตั ว, วยุงลาย <c oughs> แต่ตัวอัริยะถูกห้ามไม่ให้มีน้ำจบ ก, กรปกอยู่สถานที่อยู่อาศัยแตไม่ไมบอกหลวงพ่อตางงพ่อจะให้ลูกศิษย์เอาแกล้งถ่ น, น้จะใส่ดอกไม้ไตเห้งพระขอว่าไปอีกสิ เม่อตาไม่เกิดงลงไลยไปตอบคนในบุญในบาปคนทไปชอบตอบชอบทำพระพุทธเจ้าให้เอาเนิ้วมือนิ้วมือไว้ชี้เล่าชี้ดาเด้เป็นไถ่เด่นบวกเขาไปชี้จาวจา่าหรือปีกันขโมยของเขาเหรอทําไมไปกลาบไม่ได้ทําไมไปไหว้ไม่ได้ฮ <c oughs> มีไว้ทําไมพระพุทธเจ้าให้กลับไปเราไหว้ห้าคู่นิ้วมือไม่จีบคู่คิดดูนะ <c oughs> แล้วเราเข้ากับภาค เรียบง่ายก็เรียบง่ายถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้นลรต่อไปก็ถูกต่อไปถ้าลงเดินทางอันดับแรกไม่ถูกก็ไปผิดทางเพราะฉะนั้นสำคัญพระพุทธเจ้แนนจึงเน้นนๆะก็้นให้เลือกการปฏิบัติเราไม่มีโอกาส ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระเจะ้าก็ตสงไม่มีวัดว่าพระเจ้าประสงที่ไหนก็ถึงสองร้อยิบเจ็ดน้ำคานก่าคิดถูกแต่คิดไปแบบง่ายก็ได้ไ <c oughs> วจะได้ถึงเจ้าเรียนัตตารูคุณเจ้าจึงบอกว่าทำที่เราตถาคตได้จัตตารูยากที่สาบรรชนคนธรรมดาจะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้หรือจะทําได้ยากไหมต้องให้คน เหนือจากคนธรรมดาถ้าพูดเรงภูมิของใจนะนะพระโสดาพระอาจิรคาพระอนาค า, าคาพระอรหันตพระราหันภูมิของใจแต่ว่ายกฐานะออกจากคนไปเป็นมนุษย์ออกจากไปเป็นปุกถุกทนออกจากสามัญทนนะไปเป็นปัญญาทนนะถ้าพวกมักเกรียมก็คือระดับมหาลัย เป็นปัญญาจนรูปเดียนมาเยอะแยะแล้วรูปบากรูปบุญรูปดีรู้รรรชัว่วนี่จะเราขาดการทำบุญผลจดท้านก็เลยไม่รู้ว่าบา ค, คืออะไรบุญคืออะไรถ้ารู้บากระแล้วก็ไม่ทํา น, นี่เราไม่รู้เพราะเราไม่ไปทําบุญ น, นี่ไมมีสมาธิก็ไม่มีปัญญาเห็นไหมไม่ใช่แสงสู้แสงเทียนสหาสวรรค์นิพพานได้ต้องแสงปัญญา แสนเตียนจองตาแสนปัญญา่อใจไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะทุกจนหลอดไฟราคาเป็นล้านก็ส่องไม่เห็นสวรรค์ส่อไม่เห็นนิพพานรวงอาทิตย์เกิดไม่พันดวงสองไม่เห็นสวรรค์สองไม่เห็นนิพพานถ้าจุดทุกจุดเตี้ยนส่องไม่เห็นสัมเนียปันหลงพ่อไม่ต้องบวชหาจุดทุกจุดกเตี้ยนตัวหน้าเอานั่นแหละพระเจ้าจึงสว่มามนนิพพานไม่มีซื้อขาย ด, ดูลู่เองเห็นเองยากไหมสามัญชนคนธรรมดาจากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้นะต้องเนื้อคนธรรมดานะะไม่รู้ว่าอี่ฉันติดตรงไหนของตัวทำไมสมาธิไม่เป็นทําไมธสมาธิไม่แน่นหนาอั น, ะนคงก็เป็นอวไรเราไปทําให้ถูกละ่ะเที่ยวตั้งคนทั้งหลายมันจะคำมโนตะวบะกว่ามันจะสาคําท่า เดี๋ยวทำโกงมันก็ไม่ถึงวัดง่ายไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนมีเป็นไปหลงทางไปอีไปอยู่จีแคงจีแคนทางไม่รู้จีแคงจีแค่พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่ออุบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยิงแต่เขาเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขากพาทำมาให้เชื่ออะไรให้เชื่อแหตุผลนี่เราไม่มีการทําบุญไม่มีบรรดาไม่รู้ว่าเหตุผลถูกต้องกับถูกใจมันเป็นยังไง อาหารกายกับอาหารใจมันเป็นยังไงตายกับใจมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมทงางอาหารทางกายไม่เที่ยงจะเลี่ยงเท่าไหร่รักษาเท่าไหร่เข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ถึงจะหายแล้วก็ยังมีอยู่คือตายแต่โรงพยาบาลของพระเจ้ารักษาได้แล้วไม่มีเกิดนะรักษาได้นะของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเกิดแก่จ็ตายไม่มี ตองเชจุอดอนี้ถ้าไม่เชื่อจุดนี้แล้วก่อนเราจะจะทําไป <c oughs> อยากให้เน้นหนักข้าปฏิบัติมวยถาไม่มีเวลาจริงๆก็เคยพูดแล้วเจ้าปติตรรุ่เพราะสัจจะหกปีไม่ใช่ปีหนึ 1, 2, ่งสองปีปฏบิบัติมาทุกครัง้งทุกครั้งไม่เคยมีสัจจะทําไปทําไปก็ไม่หายข้องใจเวลาที่ตั้งสัจจะแล้วถ้าเราตถาคตไม่ได้ติตรรูปวันนี้ เราจะไม่ลุกหนีไปไหน่นะวันที่พุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ใครไปบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ ต, ดตดรัสรู้หายคล่องใจปัจจตังรู้จำเพาะตนน่ะความหายคล่องใจของพรุทธเจ้าหายสงสัยหายค้องใจแล้ว่ะไปบอกให้คนที่ไม่รู้บอกคนรู้ไม่เคยดูจะรู้ว่ามิถานเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงบอกให้ดูไม่รู้ ถ้าเจียบรัพอาหารบอกให้ทานอาหารบอกให้ทานอาหารมิ้วอาหารมิ้วอาหารบอกให้ทานไม่รับประทานแตรู้ว่าอิ่ ม, มันเป็นยังไงรสชาติของอาหารเป็นยังไงนี่ฉันใดก็เหมือนกันนะทําทุกวันทำทุกวัน ท, ทําเป็นยังไงหรอคุณทําแค่ไหนหรอกหยุดนิ่งบ้างไหมหยิดถึงสมาธิบ้างไหมบอกดูหนึ่งนาทีก็จะทําไม่ได้ว่ายัไงไรหรอ ต้องมีสัจจะและโยมปีนี้ข้อพรรษาเราไม่ได้อะไรขอไม่ได้สัจจะหนึ่งนั่งสมาธิทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีไม่ให้ขาดไม่ต้องถึงวัหนึ่งชั่วโมงหรอกแค่หนึ่งนาทีทำไม่หลอกนั้นมันไม่ทําหรอกจะไปนั่งถัดจากนั่งหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันลองรู้แต่หนึ่งนาทียังทําไม่ได้จะว่ายังไงล่ะฉทำทำไม่ได้ถ้าไม่มีบุญจิตไม่สงบมันบุน ไม่มีเวลาเวลาเขียสิทธิ์ทาป่านักจริงทีเดียเ๋ยวี่ยัเงเสียไปให้คนเขียให้นะแทงผมให้คนแทงให้แทงเล็บคนแทงให้ไม่รู้เอ า, เ, าเล็บผีมาทให้หรืออะไรก็ไม่รู้ขนตาผีอะไรก็ไม่รู้ญาติยโยมขาบอกว่าไอน้องอกเูเขาปฏิเสธว่าวันนี้ขเขาิเสธิเสธเล็บ ก, ก็ได้เล็วผมก็ได้ว่านะ่ะ ชอบแต่ถ้าเรื่องของความเก่งที่สุดนะนะโดยเฉพาะคนประเทศเรานะั้นแหะไม่ใช่ตำแหน่งนะอามหลักเหตุผนะหลวงปูอาจจะจะกอนอาจจะทามันเยอะเราไม่เยอะถึงไงก็เราไปยวดยวนเขาห่ะเงี้มันหิวกันในกองไปขังกองมันลื้อกองออกมารู้จักไหมเสือหิว้วเด็ ก, กอายุน่ะกาลันคึกขนอง ไปย่อโยนเขาลองรูสิมันจะได้จีวันนั่นเนื้อเนื้ออะไรมันเสือชอบเนื้อสดสดเจริญแต่นื้อเสืออยได้หัวใจคนกลมอะไรนะกลมเล็กห้ามนะจะไปทําคนอื่นเขาไม่จริงจอมผิดกฎหมายเขาก็ยังไม่กลัวเลยกฎหมายก็คือกลมเล็กใช่ไหมเขาไม่กลัว่าก็เหตุมาจากไหนล่ะก็เราทิ่ไปย่อโวนเขาถ้าไม่มีย่อโยนคนโบราณอะไรคนรับจิตี พระสงฆ์ผู้เจ้าสอนให้พระสงฆ์ทำเหมือนคุณลักษณะผู้มีคุณธรรมการงน้มหงอให้เกินครึ่แงแคบน่ะแต่เข่าลงไปสองนิ้วสามนิ้วกว่าอยครึ่แงแคบให้ระหว่างครึ่แงแคบไม่ให้ลึกเกินไปไม่ให้เหนือขึน้นมานี่ผู้เจ้าสอนให้พระสงฆ์ทำอย่างนั้นเนี๋ยวไม่พระสงฆงงแล้วทํานั้นแล้ว ก, วก็มีปัญหาตรงไหนป็น คนบุญบารมีเห <laughs> ็นเขานุ่มพาถุงเราฝันหนุ่งกำกเกงเหมืเขาว่าโอ้ยคนน่คือจะปวดขึ้นใจหยาดใจหนาจะน้อกว่าเนี้แล้วเกียรนี่คนนุ่มกำกันเกงมืทุกวันนี่หนุ่มพาถุงไม่เป็นน่าสลดนะนั้นอาจถิงทาให้กลับมาโลกาพนจรงนานเขานานเขาวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาาตญาติโยมไม่ช่วยกันกับพระสงฆ์รักษาก็เสี่ยมไปเสี่อไปพเจ้า ทำนายได้แล้วว่ายัางไง5 0ันปะีนักวิทยาศาตร์ศาสานาของเราเตัวสกุล5 0ันปีแต่ขึ้กลางแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นไะสังเกตดูนะแต่หลวงพ่อคือเบบบวชทำไมเข้ า, า ม, มาถึงทุกวันเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีทุก ป, กปีก็คนที่มาบวชก็มาจากทางโบกวชจะทิ้งนิสัยโลกี่ยะมันก็ยากอยูนะ่ถ้าไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆอยาก แต่ใช่ยากไหมขมันสามัญทนยากที่3ามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ต้องผูเ ide, ง้เสียสละ ก, กล้าหาจิตใจจริงๆริเสียสละจากโลกที่พระเจ้าผู้ทรงอยู่ได้ท่านเสียสละนะวิหารธรรมมีเครื <st> ่องอยู่เพื่อปุพผลอารมจิตใจให้เหนือโลกถึงร่างกายอยู่ในโลกแต่จิตใจเหนือโลกไปแล้วโลกก็ไปอดูไปจินตเล่นาการหมอเพื่อนใจเทียานต่างๆนานาไม่ มนเตือนให้อบคนจะโถงพระเจ้ากระสงสารยู่สนุกเมืองฝ่ามิตรแดดก็ฝนสนุกเมือนน่อข้นมีแต่กินก็เล่นยินดีแค่นั้นมันก็เข้าใจไม่ทําบุญความสุขอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ไหนเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวปวดช้่งกวดขากดหลังกดเอวปวดนั่นปวด น, น, วดนี่เวลาอยู่ในหิบมันปวดตรงไหนเวลาเข้าสมาธิดกกิจนอกจากพุทโธเวตนามันก็ไม่มีเวทนา ก็เพ e ื่อวนาสักเ so ิ์ต่เวทนาถ้าใจไม่ไปยึดถ้าใจไม่วาดไม่จะเก็บตรงไหนหรอกลองถามทุกวันน้องปวดหนาวไหมหนาวไหมถ้าเราไม่วาดมันก็ไม่หนาวถ้ามันหนาลองดูที่หลอดเท้าตัวนึงนั่งกองไฟเผาไฟฝิ่นตัวนึงหมดกอดกอดไปไม่ถ้งหนองน้มันเป็นทางไหนแต่คนคือกันกอดถึงไหนถ้าไปนั่งกอดนี่ได้น้ำกอนเนี้ย ม um. ันปอบปอดเหมนติมีพูมีติควงน้ำน้าสั้นก้อนวัดลูกบิดเห็นไหมเราควบชอบแล้วไม่ชอบใจอ่ะเห็นไหมเก็บเป็นหลอกสังขานร่างกายเป็นมีหน้าที่เกิดแล้วแก่เจ็บตายแต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไปยึดจิตเลือเกิดขวาเป็นน่นไปยึดไปถือว่าตัวกูตัวกูเก็บแก่เจ็บขาเจ็บมนเก็บนี่นะะถ้าทําใจได้แล้วไม่มีปัญหา สุขทุกไม่อยู่รวมอยู่ที่ใจตัวสำคัญพาให้สุขพาให้ทุกข์กอยากอยากมาจากไหนโลกร่ารวยสวยงามเข้าใจง่ายทุกข์ร่ํำรวยสวยงามเป็นนรกโลกิยะนะของโลกิยะนะแต่ของพระเจ้าร่ารวยสวยงาม่เป็นมโนรมปุเจ ա บบอกมันเป็นกันให้อย่าไปยึดถือกับร่ำรวยสวยงามไม่มีอะไรเสียเลยเห็นเรามีอะไรมั้งมีรักไหมมีโลกไหม ดูหนึ่งนาทีเป็นยังไงสบายไหมถ้ารู้ตลอดวันเป็นยังไงตลอดชีวิตเป็นยังไง น, นั่นนะที่อยู่ของพระสงค์ทาให้มีเครื่องอยู่เป็นธรรมะและประยุ่งนง่ายง่ายพระเจ้าสอนนะให้พยายนะามแน่นหนาข้าปฏิบัติอย่าไปเข้าใจว่าพระเจ้าผระสงค์ไม่ทานนั่งพระเจ้าประสงค์ไม่ทานนั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทาน พุทธบริษัทตั้งสมาธิในสัจธรรมรูปมดโลกนี่ตนเกือนตอนไม่ได้ถ้าเราจะเตือนรูปแหว่ใช่ว่ า, าปปรูปแหว่ไปฝึกผลอบรมตนเองเอเออกกอแสสองหว่ก็อยากกินหนาแสนสิบคมกับเขาหักงูก็อยากกินห้ามแสนสิบปีก็ดังเวอร์ที่ภาษาอีสานเนี้ถ้าไม่มีความสมัครใจมันนั่งไม่เป็นสมาธิมันบังคับไม่ได้ต้นเกือนตอนไม่ได้ถ้าเราจะเตือน ต้องเป็นตนตนเองบังคับตนเองรู้แล้วิธีกรรมอย่างนี้อย่างนี้ใพรานั้นพุทธเจ้าก็บรรจัดให้พระพุทธเจ้พาพระพุสงนั่งสมาธิได้แต่จะรู้หมดแล้วไปสู้รบด้วยกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเองนะถ้าคนอื่นบังคับเคยเตือนจิตใจมันบังคับไม่ได้ พระเจ้าพระสงจะพานั่งแล้วก็วดแช่งวดขาเมื่ออะไรจะหยุดวดแช่งวดขาเมื่ออะไรจะหยุดจิตคดิดชนกับผู้บาอาจารย์แล้วนั่นก็เป็นบาปแล้วนะจิตชนกันคนหนึ่งมีแต่าคนหนึ่งไม่มีแต่ธานั่นแหละป็ น, นบังกับมันไม่ได้ พ, ดพระผู้เจ้าทีสอนให้ตนเตือนตนไม่ได้ถ้าเราจะเตือนนั่น น, นนั่นไงเป็นติพึ่งของตน พิงตนเองให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำตามใจชอบผู้เจ้าสอนยังไงให้พืนใจของเราทำตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติฐานปลอไปจมดทั้งรวมกายคืออะไรสํารวมบาจารคืออะไรทั้งรวมคือใจใจคืออะไรไปวัดทาบุญคืออะไรอยากไม่เข้าใจจุดนี้จยากให้มีที่ นะถ้าเราปฏิบัติอยู่นี้นะั่นจึงได้บอกว่าขาดคำเดียวคือเราขาดตาัณฑบุญไม่มีสมาธิศไม่มีปัญญาไม่มีความรอบรู้ว่าบาปบุญกายใจเป็นยังไงอาหารกายเป็นยังไงอาหารใจเป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงนี่ไม่รู้อนะถ้ามีปัญญาผู้ปฏิบัติรูเ้เองเห็นเองเประเภทนรกก็อยู่ตรงนั้นนะเนะข้าใจปนะอาหารกายกับอาหารใจมันง่าย ยาแต่ต่าง ก, กันแต่คนเราชอบแต่สิ่งยากๆเทียบให้ดูแลของเช่านี่แต่บางคนลวงปู่พูดส อ, องสามคำก็เข้าใจนะเออหลวงปู่บอกว่ายุ่งแต่อาหารกายอาหารใจไม่ยุ่งสิ่งง่ายๆไม่ยุ่งนะยังมีบางคนได้ยินย <c oughs> ด้วยยำนาคเป็นกุศลน้ำตนได้โยนได้ติดไปนอกโลกลานสํตลอดทั้งพระเจ้ า, า, ร า, าประสงฆ์มัรวมกัน แออกซึ่งความพรองรองสมานสามารกีดสวนมนย์พระพระพุทธปฏิบัติธรรมฟังปะวัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลตัวนี้บุญกุศลขอุณพระพุทธเจ้าคุณประคำบุญผส์และสิงต่งติ่างหลายในสาคนนรกนี้ก็ต้องมารวมกันตองปกป้องปกปักประสาวส่วนจะรวมมาดัชตีพน้องตลอดประเจ้าะสมมีแต่ความสุขกันกทุกข์ายทุกใจ งานจึงดาจึงดพัฒนาสิ่งหนึ่งอันใดคือพั้งานพวกเราได้กระทำเนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจงสาเร็จจงสาเร็จสมดังความพัฒนาจงทุกสิ่งทุกประการเถิดสาธุโอ้เสียงผู้อาจารยิ่งชัดเจนเราเรียนสาธุนี่นอไวเาา่เสียงตาต่างจมกันเมกันยิ่งออ มีใครอะไรค่องใจอะไรไหล่ะมีใครอะไรคล่องใจมีมีใครแปลบ้างมีคนต่างชาติบ้ะมีใครแปงนิดหน่อยบ้างไม่มีมิติการใชมกใชจแลอย่างเดียวคืออยากทำไม่ได้ทำอยู่จงไม่ได้ สุดยอดเออลงทางขอให้ลงทางถึงชาติเต่าก็กระตายเต่าจังเลวก็กระตายสำคัญที่สุดคือถูกเชนนี่ไปเชนนี่ต้องชาติก็ไม่เป็นไรขอให้ลงทางเดินลงภาคปฏิบัติปฏิบัติไปถึงพูดแล้วก็ไม่ต้องสงสัยแล้วก็เราขาดอย่างเดียวคือขาดการทำบุญ ทำอยู่เอาภ็สาบานว่าอสัมปันนังบดตนี่แหละพ่อว่านั่นเห็นบ่หรอคุณจ่าพ่ออสัมปันนังบดนั่งแล้วหึ่งทีมือนี่นั่นสิท่านที่เหลกพ่ว่าว่าแจ้งตายเราติมือมากเตืนชิวถ้าปากก็ก็ขูแข็จากนาทีเยะไปว่าทเยอะานน่แต่เห็นอย่งแต่แจ้งตวอยู่แจ้งกายอยู่ด้วอ เลยตายยมพวกโยงแค่ปวดเวทนาอย่างเงี้ยไม่กล้าคิดเลยว่าเลยตายตรงนั้นของหปู่นี่จะขนาดไหนแค่เวทนาอย่างนี้สู้ก็สู้สู้ไม่ได้เลยเจ้าค่ะจูกระได้ก็คือว่าจูกระได้ย้ําแผลของท่นแล้วก็เลยบอโอ้เขาว่าเลยตายของแค่นี้เอยแต่เมื่อกเจ็บดิพวกอีการเจ็บนั่งอยู่ในท้องเจ็ดเดือนแบบก็ว่ามันต้งไปไหนดิก็จะทันกระดุกกระดิกติ ก็ยังไม่ตายยังดแตกตุ่มขึ้นมาเป็นไฟเผาเลี้ยปฏูปอ่อมต็เลยตายตลอดแล้วทีนเ้ผมจับใจว่าหึ่งจว่าทุกข์เป็นอะไรคนไดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมเห็นแล้วค น, นทุกข์มันเป็นเรงไรบ้จงนในหนังสือมีหนังสือคนอนทุกข์รืออ่านแล้วจบแล้วว่าฉันจบแล้วปสิฐก็เขียนไปพรเจ้าเขียนไปธรองได นั่นื้อตำลัเขียนไว้ก็ท่องได้อยู่แต่ว่าเขาเขาจะฝัน ไ, ได้มันทนได้บ่นั่นเัาจะจี๋กุมาก่อนให้มันประมาทกมากแต่ใจเฮาคนไดเห็นทุกคนนั้นนันงทำผู้จใจ ห, หาเห็นหเห็นทุกนี้ชิดด้วยสติเป็นหน้าก็เห็นให้นั่งให้มันแท็นนั่งอยาแล้วจับมือมันงอย่าง้ท่องจะ เ, เดือนบก็เห็นตายเพื่อจะไปจูดูนี้เพราะว่าเขาทํานี้มันบ่มีคนเสียหาย เขาท่ามากาติทบางทีเป็นนิมิตทั้งนั้นเป็นทั้ในติดจิตจิตเป็นนิมิตเต้นตะวันเย็นปฏิาณเขายกขึ้นมาให้เสียแล้วฉันเห็นตะวันยิ่งข้ามไดฉันหายขอาใจเดียวเวลาสิบเก้าเวลาสิบเจโปโปพเวดูันดบตัวเี้เลยมันจึงตะียดแต่นางกีรกก็ได้ชนะก็กระตกแต่กำลังใจใช้ชนะก็ปูนใจปีติปูปีติกองทัพได้ใช้ชนะตักเจริญจุ บอกบอกก็ได้สูบทุกแค่ไหนปันจะตันรู้จำาขอตนอยู่นั่นเปดนเะล <c oughs> ยรู็นสุดแสนงงันหนกสูบก็ได้สูบก็ได้เขาฟาก็ า, าตรงคนโตเจ้าผีเจ้าพู่มเจ้าผีเจ้าสางเป็นเครื่องประกันปบะกานเหตุกาทั้งหมดไหวว่าหาตัวผีผีสัตว์ในภูเขาคนนั้เมา่อยมา่อยขาดที่เด่ ฆ่าไม่บากคือค่าเคลเดก็เพราะว่ได้ใส่ปืนยิงมั้ป <quiz touchdown upside down> ัญญาปัญญาคือตาเพชร่าเคล็ดนี่มันีังพิจากว่าเคล็ดปัญญาจะเน่าจะเข้ามาจว่าบุ่นกบนาลบตาหวานกบนารบอันนั้นตาหวานจะส่งว่านาลบสิงไรกันตาหงุดหงิดก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย นั่นเป็นคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเองคุณกระิบทั้งที่เห็นมือนายกำหนดความหายมือนายี่แบบของมันโกเมือนายจากลางสตัวพวกใจตัวตัว่างสาตัวปูตัวปูที่นึกงเขามันจีบตัวนี้ที่แบบแบตัวนี้เห็นตัวนี้เวลาแบันี้อื่นก็กะจายออกไปทุกันเนี่ยตัวเวนวาติวาตะฝาก็คือมันต้องเห็นด้วยตู้สู้ได้ด้วยคนได้ด้วยเราจะ้งรู้จำว่าตัว น่่ใครถามอะไรอนะจิตตัง่าิตังกมังจิตาเมวเมจตุตเูเรนตุสัมปปะจกนันโนจต้ามันิโจลโซจะทาตตโยิวัชตุสัะโรินตสุมาเตะวัตันตระโยทุพีธิภายุโกภว ท้าวีวาธนสีริศเนจังุตาปจายโนจัตตารุธรรมวัฒนเดชายุปโนสุขังภะรา